อลองามกันพวกกับทุกท่านทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันไม่เป็นคนละอย่างยิ่งเรามีสติแล้วก็เป็นอัดเดียวกัน <c oughs> เราหลงเราก็เป็นเดียวกันเราไม่หลงเราก็เป็นเดียวกันเราทุกเราไปทุกเป็นเดียวกันปฏิบัติธรรมก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีสติเป็ น, นกายอยู่เป็นประจำ แล้วก็ทำตามาที่ผู้เจ้าสอนกเราก็มีเหมือนสันสติเราก็มีไม่ได้หาที่ไหนเป็นการประกอบขึ้นมาประกอบอเอากายไปประกอบเอาสติเอาสติมาประกอบไปในกาย อยู่เป็นประจำอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็เห็นถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็เป็นการที่เป็นตัวเฉลยได้มันไม่ใช่สติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมือหลายอย่าง ตะเป็นความสุขเป็นความทุกข์ต่อการต่างที่มันเกิดขึ้นสติปฏิบัติทำสติจะฟ้าให้เห็นเห็นไม่ใช่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นกายอยู่เป็นระจอมอะไรที่เกิดขึ้นก็ไปเห็น มันจากแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสุกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเจ้าสุกเจ้าสุกเทุกมาเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นดอกการเป็นสิงที่โนกไปจากสติไม่ใช่สติ้เห็นเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้น แล้วก็ไม่เป็นกับสิ่งนั่นได้ง่ายเมื่อไม่เป็นก็พ้นจากสิ่งนั่นได้ง่ายถ้าเป็นมันไม่พ้นมันไม่เห็นวิธีปฏิบัติง่ายๆใครก็ทำได้ไม่ใช่กันละแบบการเห็นง่ายกว่าการเป็น ตว่าที่เห็นเนี่ยมันง่ายกว่าการเข้าไปเป็นเช่นมันสุขเห็นมันสุขเช่นมันทุกข์เห็นมันทุกข์กลาเป็นแล้วก็เป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นก็หายตัวหายตนเป็นการเห็นเป็นสติเป็นปัญญาายขอปริเสตวิการวิธีการปฏิบัติทำแบบไหนแบบไหนที่ไม่ใช่แบบนี้ มันเป็นไปเพื่อความหลับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานเห็นไม่เป็นจะพ้นจากภาวะที่เป็นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้เป็นจุดยืนเป็นหลักเป็นเสาหลักเป็นหลักสูตรจับสูตรนี้ได้ไปเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดการปฏิบัติ การฝึกตนสนตนได้บทเรียนเยอะแยะจากกายก็มีจากเวทนาก็มีจากจิตก็มีจากธรรมก็มีมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ตรงนี้จะเป็นกายเวทนาะจิตธรรมก็ใช่หลักสูตรอันเดียวนี้ไม่ต้องไปท่องากายว่วกายไม่ใช่สัตว์ปุกคนัวตนเราขอข เหตุนาสึกว่าเหตนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็สึกว่าจุดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปบัรญายแต่มันเป็นหลักสูตรที่อ้างอิงถ้ามันจนจริงก็อ้างอิงได้เกียรติไม่มีอยู่ที่นี่คือว่าไม่เป็นเนี่ยจิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดม ว, ว่าตัวว่าตน หัวใจที่เก่นพุทธศาสนาเกี่นโลกธรมรมนีว่าสัพเพตามานาลังอภินิเวศย์จิงทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนนีว่าเห็นจากว่าเห็นที่เ ห, เห็นไม่เป็นพ้นจากเพราะที่เป็นนี่คือเกี่นเข้าไปถึงเกี่นเก่นธรรม ถ้เป็นมันเป็นเปลือกสุกเป็นสุกได้เปลือกได้โมก <c oughs> ได้ของปลอมก็ทุกข์ก็ ข, ของปลอมสุกก็ของปลอมของจริงมันต้องไม่เป็นอะไรไปกับความสุขไปกับความทุกข์ทีมาเกิดขึ้นกับกายกับใจเราถ้าจะปฏิบัติให้เรียบด่วน แบบนี้ก่อนแล้วมันจะเฉลยขยายทีหลังจะเป็นดังที่เราสาธยายพระสูตรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ก็เป็นหลักปฏิบัติอยู่ในนี้รวมทั้งหมดหมอเป็นพวงเช่นในหลักอิมมัค ก็ต้องมีทั้งแปดอย่างในาอมานี่รวมถึงก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาวมมาเป็นโสสาอย่างแต่มาอยู่กับสติสติมันก็ลาะความชั่วก็เป็นศีลแล้ว สติก็ทำควาดีก็เป็นสมาธิแล้วสติเป็นโลภลูกมันเห็นผิดเห็นถูกเป็นสติก็เป็นปัญญาแล้วสติเปน็นในกายในเลือธนาในจิตนธรรมเป็นที่เกิดของเสื่อของสมาธิปัญญาปัญญาไม่ใช่เกิดจากการท่องจํา ไม่เห็นมีสติก็เห็นได้บทเรียนได้ปัญญาได้ปัญญาจากสุขจากทุกข์ได้ปัญญาจากความโกรธความโลภความหลงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยปัญญาแบบนี้ปัญญาแบบสิกขา ไม่ใช่ปัญญาแบบเหตุผลทฤษฎีแต่ทฤษฎีก็ทฤษฎีแบบนี้เป็นตัวปฏิบัติสมมาทิฏฐิเป็นทฤษฎีที่เป็นตัวเป็นตนสมผัสต่อยในชีวิตไม่ใช่ความคิดเป็นการสมผัส พบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นหลอกไว้ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลอกคนอื่นไม่ได้ชุกเป็นยังไงทุกเป็นยังไง ร, รวมรู้สึกตัวเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้อะไรที่มันเป็นเจนสารสารละด๋วี่ข้างกี่หุนทุกกี่ข้างกี่หุน จะให้มันทุกข์กันหลงอยู่แค่นั้นออทุกข์เห็นมันทุกข์หลงเห็นมันหลงอันนี้เรียกว่าสร้างปัญญาแล้วต้องมีคำถามใครหลงก็หลงเอง ลูกก็ลูกเองสุข ก, ก็สุขเองลูกก็ลูกเองทุ ก, ก็ทุกเองลูกก็ลูกเองอย่าให้มันฟรีเก็บเก็บข้อมูลบัตคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่นี่หลงมันก็ไปเป็นพวงถ้าปล่อยให้มันไปเป็นอกุศล ปกลายแต่ลูกเป็นกุศลก็ามาทางนี้คนลราฝังทำได้สำเร็จทำกด้ผลเกิดผลขึ้นมาเกิดผลทันทีไม่ใช่รอปฏิบัติธรรมไม่ใช่รอทันทีลูกก็ลูกลทันที แต่เราที่มันเกิดขึ้นที่มันผิดก็รู้ทันทีสัมผัสได้ทันทีกับความรู้กับความหลงความทุกข์กับความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธคือเพราะว่าที่รู้นี่เป็นตัวนำดังสติเป็นตัวนํากิจวิญญาณก็ว่าได้วิญญาณของเรามันเปะเปื้อนหลงทิศหลงทางเปือเป้อนกับทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อนควาสุขคราทุกข์กับ <c> อ <oughs> การต่างๆแปดเหมือนสีพันเรื่องแปดพันสี่พันอย่างแปดเป็นสีพันอย่างที่เลสก็พันห้าตันหาก็ร้อยแปดไม่ได้ดูเลยปล่อยให้วิ ญ, ญญาณที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไปติดอะไรมาเก็บเอาหมด แบบนี้ก็ลื้อถอนเป็นภาคที่ลื้อถอนเริต้นคือพระพระทุทธีรู้สิบตัวเนี่ยตรงกันข้างคือความหลงต่อหน้าต่อตาละ่ะความหลงกับความรู้เนี่ยหน้าบกุกเปิกตัวนี้ไปได้แรกก็ได้ได้เหลี่ยมได้ทางไปได้เข้าไปเป็นทางเข้าไป มันเข้าทำอะไรที่มัน <c oughs> ตั้งต้นได้ก็ไปได้ง่ายเมือนเราจะถาก้เจะเหลี่ยมเข้าเสียก่อนสมมติใ้มากสมมดว่าไม่เป็นต้นมันมี <c oughs> มันมีที่บุบที่คดที่โง่ เราเข้าเดียบต้นได้ก็ไปได้อยู่ที่การกระทาแต่เข้าไม่เป็นเข้าต้นตั้งต้นไม่เป็นก็ไปไม่ได้้ะขึ้นต้นได้ไปง่ายถูกทิ่ถูกทางตกแต่งเสริมทรางได้สวยงาม เครื่หลงทำไมสวยงามมนทางกีิวิญญาณทำไมมีสติเนี่ยมันสวยตรงนี้เหมือนถากอะไที่มันโคตมันโง่มันได้ถากตรงที่มันโคดมันจึงตรงมันโคดเพื่อตรงมันหลงเพื่อลูกพิดเพื่อถูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ph> ถ้าเป็นคิดก็ไม่มีถูกถ้ามีทุกก็มีไม่ทุกถ้ามถ้าไม่มีทุกก็ไม่มีถ้ามีทุกก็มีไม่ทุกฉันทุกฉึงพ้นทุกตาเดียมเข้าได้ตั้งตนได้ <c oughs> <c oughs> สะดวกนะปฏิบัติธรรมมีสติีปะนกายนะเงเกิดป้อมสะดวกเป็นใหญ่ทันทีเลยเหมี่ยมนาดเป็นเจ้าถิ่นเหมือนเป็นเครื่องมือที่เป็นขวานถากต้นไม้ที่โคตรที่โง่เอา้ตรงเลยตัดที่รงเลย อันดัดตัวอย่างนะี้คืออย่างนี้เลยคือรู้พอเราเชื่อมันเกิดเกี่ยวกับกายกับใจเองคือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการดัดมันต้องมีโคตมีไม่ตรงอยู่หลงนลเนี่ยรู้เนี่ยผิดถูกให้รู้เวลาเราปฏิบัติมันต้องเกิดพิษ ต้องเกิดถูก่ผิดเป็นยังไงถูกเป็นยังไงถ้าไม่เห็นก็ผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกไม่ได้ทำอะไรเลยะอยูุ ก, ก็เป็นสูกทุ ก, ก็เป็นทุกจะต้องมีสติไปในกายบางทีมันหลงไก็เป็นผู้หลง ไม่พอใจเกิดขึ้นในความหลงไม่ชอบไม่อยากให้หลงก็หลองแต่มันถูกก็ดีใจมันสงบก็ดีใจมันผู้สั่นก็เสียใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเขาประโยชน์จากกันผิดกินถูกไม่ได้เห็นมันก็ไม่ไม่สำเร็จ แล้วถามันผิดก็เห็นมันผิดอย่างนี้แล้วล้ามันถูกก็เห็นมันถูกแล้วล้ามันสงบก็เห็นมันสงบแตอ้าบันพุ่งซ้านก็เห็นมันพุ่งซ้างนคือเห็นเนี่ยมันยืนหยัดเป็นเจ้าถิ่นเป็นใหญ่มันใช่ได้ลักษณะนี้เป็นทางไป เป็นใบมีดทเตอร์เป็นทคเตอร์เป็นใบมีดท็เตอร์ที่ผ่านไปตรงไหนว่าเป็นทางไปถ้าเห็นเป็นทางไปง่ายๆเกิดเหมือนกเรียบไปเรื่อยเ็จไปเรื่อ ย, ร อ, ยรอบแรกอาจจะไม่เรียบร้อย เพระโสดาบันจะมีอีกหลายโลกในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเราสังโยชน์ได้น้อยไม่มากยังมีสิ่งที่คล้องติดพระสจิทาคามีก็เรามีโลบน้อยกว่าพระโสดาบัน หนาใครมีมีโรคไม่มากเสร็จก็คือพระลังนั้นหลงรู้วิธีปฏิบัติอยากให้หลงเป็นหลงมันเจ็บไปเป็นโรคไปสาดไปทีแรกก็ทวนกเสษียรสักหน่อยมันเคยไหลก็หลงทีหนึ่งก็รู้ สองข้างก็ลูมาค่อยค่อยตันขึ้นมาค่อยถบขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้ถมได้ใหญ่ได้โตได้สูงขึ้นเพราะถมความหลงมีความลู้เหมือนเกิดสอบซรายทิ้งในทางน้ำที่มันไหลโยนลงไปในน้ำที่มันไหลน้ามันไหล ยนสอบใา่ลงไปสอบหนึ่งอาจจะไม่เห็นอะไรหลายสอบที่หนงไปที่หนงไปทวนกระแสเนะ้ะพอไปเอามาว็สูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นก็เคลื่อนข น, นได้ะติเป็นเสาขึน้นคือมันถมความหลงมันรูนี่มันไม่เสียหายไปไหน โดยเฉพาะกรรมฐานที่เราฝึกอยู่นี่ยมีสติเกือบทุกวินาทีมันจะต้องง่ากขึ้นแน่นอนวินาทีละลูกก็ว่าได้วินาทีหนึ่งลูกทีหนึ่งทันเวลาหลงอาจจะไม่ทุกวินาทีหรือบางทีมัน เป็นสันตติเป็นทันทาเล่ความหลงเป็นสันตติเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันน้ำไหลสันตติเกิดขึ้นทันทาเลคือไหลไปเหมือนน้ำประปาทาที่มันไหลไปต้องใช้น้ําเก่าเป็นนน้ำใหม่มาเลื่อยความคิดก็เหมือนกันจะไปให้เป็นเรื่องที่ยาก อย่าเอาอยากอย่าเอาง่ายปฏิบัติทรรมให้สนุกผิดก็สนุกถูกทุกก็สนุกรูก้ผิดก็สนุกรูก้ทุกก็สนุกรูก้มันจะเยียวยารักษาถ้าเป็นโลกก็รักษา โรคความหลงโรคความสุขโรคความทุกข์แต่ว่ารูปโรคนามโรคนีสติเป็นตัวรักษาโรคกันนี้โรคความโกรธความโลภความหลงความวิตกกังวลหรือว่าความทุกข์สรุปแล้วคือความทุกข์หลงที่ทุกข์ดูบทุกข์ตามทุกข์ เห็นนิสิตีลงไปอย่าเป็นไปหาเหตุหาผลนะครับตอบอะไรเกิดขึ้นจเพราะหน้าลู่เฉพาะเรื่องนั้นอย่ามีคำ ว, ว่าทำไมไม่คำ ว, ว่าทำไมไม่มีมี่แต่ลู้แล้วรู้แล้วถ้าทำไมมนาเนิ่นช้าเว้นวั การเว้นวักต้องเว้นวักกับการกับบันอื่นต่างหากไม่ใช่บันด์วักเกียาว่าทีลาาล่ลู่พระมันหลงลู่อย่าเว้นวักง่ายง่ายงมืนหน้ามือหลังมือไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนรับแบบก็จะปฏิบัติทําให้เกิดความสะดวก กาหลงเป็นหลงเป็นผิดไม่สะดวกก็หลงเป็นลู้สะดวกเป็นสุขะปฏิปทาสะดวกลู่ได้ง่ายอาหลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกเป็นทุกเป็นทุกะปฏิปทาปฏิบัตลิลำบากลู่ได้ยากไม่เย็นแต่เพื่อนพูดในฟังมันคิดมาก นีปัญหามันคิด <c oughs> คิดแล้วก็เครียดห่วงส้อนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติมันจะได้ปัญญามันจะได้ประสบการณ์เพราะมันคิดถ้าไม่คิดอะไรเลยซื้อบื้อนไม่มีประโยชน์จึงมาเคลื่อนมาไหว มันเคลื่อนไหวหน้อ ย, อยก็ได้ถ้ามันคิดเน่ยจะได้รู้มันหลักไปอยู่ที่ความรู้สึกตัวตั้งไว้เหมือนผู้ได้อารมณ์แล้วจ้กโลภนามพุ่งไปสู่ความคิดแปดสิบเอร์เซนก็ว่าได้มันอยู่กับการสักยีก่สิบเปอร์เซนก็ได้มันพอ่อเลยยืนหยัดอะไรยึดพื้นที่ได้แล้ว ยึดกายได้แล้วคอยดูแต่มันจะคิดตั่านัเราคิดปั๊บลูปับทันทีแรงขัวกายมันก็เลยไม่หนักการมีสติไปเห็นความคิดไม่หนักไม่ปวดแขนไม่ปวดข้อให้มันคิดลงไปคิดทีใดลู่ ท, ทีนั้น ม, ม, มั่ให้ความคิดพลอยเกิดความหลงให้ความคิดพลอยเกิดความรู้สึกตัวมันก็เลยชำลานมันหัดไปจากกายแล้วสติมันจึงมีพลังไปอยู่กับความคิดได้ถ้าไปเล่นกับความคิดเลยมันจะวุ่นวายบางทีไปสงบบังคับไม่ให้มันคิดบริกรรม หายใจเข้าก็ตามลมเข้าตามราบอกบริกรรมพทรุทโธหรือไหวนิ่งเตีงนิ่งตามบริบทบางทีไม่แต่เราเป็นนับหอมก็เป็นบริกรรมเป็นการเรื่องต้นเฉยเพื่อเป็นระเบียบเฉยไม่ต้องเป็นจ้อมหรือจะนับ บ้างเวลามันสับสนตั้งต้นให้ได้นิดหน่อยถ้ามันมั่วมากก็นับ14สี่จังหวะสิบห้าจังหวะหลวงพ่อเทียนสอนไปไม่เคยสอนให้นับแต่เราจนบางข้างเราจนมันสับสนมันพุ่งช้านเรื่องอื่นก็ อันนั้นกคือเบาดิการช่วยบ้างไม่ใช่ไปตลอดอันนี้ฮิตโดนเดีย๋ยวก็ทิ้งไปไม่ใช่ไปตลอดอย่างกรรมฐานที่สอนแบบยุบหนูพร้อหนูเบื้องต้นที่จริงคือยุบทิศมาจาก ต t t t ้น ต, ต้นเลิอจากต้นต้นแต่เดิมว่ายุบพองยุบเท่านั้นต่อมาเมตอว่าหนอปาทีหลังเขาว่าหนอดียวใหม่มาแต่ว่าพองยุบพองยุบหัวใจเขาว่าพองหจว่ายุบต่อมาก็มาบอกพองก็มีหนอเพิ่มยุบก็มีหนอเพิ่มเดินก็แบบยุบส้นหนอ ย่างหน่ลงหนอ่อถูกตเหยียบหลมีหน่อเข้าไปนี่อัดตัวนึงว่าย่างลู้จัว่าย่างเจยๆถอาไปก็ทิ้งเลยผู้ที่ปฏิบัติไม่ใช่ไปตลอดพุดถูกก็ไม่ไปตลอดทิ้งคุดก็ทิ้งถูก็ทิ้งมีทิสติเข้าไป ยกหนูพราะหนูก็ทิ้งบทบริกรันตัดออกบางคนก็้องมาช่วยก็ได้แต่ไม่ใช่ให้ไปติดถ้าบังคับมันไม่ให้มันคิดไม่มีประโยชน์มันก็ทำาได้สอนง่ายหัดง่ายอันนัดให้มันอิสฉานี่มัน เปิดเผยมาดูตัวเองเนี่ยมันสนุกดีสนุกได้บทเรียนดีประสบการณ์ดีเฉ้มนี้เฉามตาดีเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ดีมันจะคิดก็คิดขึ้นมามัจะได้รู้มันมันจะสุขก็สุขขึ้นมันก็จะได้รู้มันอะไรที้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยเอาเลยมาเลยเราจะเป็น พ่อมปาการอยู่เนี่ยสติหมือนป้อมบาการพร้อมที่จะลุกเมัวทันไหนก็มีชัยภูมิที่ดีแล้วมีสติมีชัยภูมิที่ดีมื่อหลงเป็นลูกทําลายข้าสึกได้มื่อุกเป็นลูกทําลายข้าสึกได้เมื่อทุกเป็นลูกทําลายข้าสึกได้ ไม่มีอะไรลี้ลับ ม, มีสติมันเป็นอ้อมบาการมันเป็นชัยภูมิที่ดีกุ้ข้าศึกมันจึงทําได้ง่ายกุ้งที่จะไปกบไปเกื่อนไปปิดเอาไว้ถ้าปิดไว้มันเป็นกล่องโจรถ้าข้าศึกเป็นกองโจรมันลบยาก มันโกรไปไม่ว่าไม่นไปมีอะไรมันจะลอบทีหลังเดี <c oughs> ย๋ยวก็สึกที่เป็นกองโจรลบไม่ไม่สําเร็จง่ายเหมือนภาคใต้รู้ก่อการใช้โศภาคใต้เป็นข้าศึกกองโจรไม่ใช่ข้าสึกทึ่งหน้าลบกไม่สมําเร็จมักจะเสียบเรียบด่งแล้วจังลูกทุกแล้วจังลูก สุขเราจะรู้ไรูกไปเห็นขนาดนั้นไม่ชำ น, นิชํานาญไม่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นี่เราเมือปฏิบัติแบบนี้เหมือนเป็นเป็นการลุยเป็นการเปิดผา่าตัดออกไปได้ฝึกตัวเองได้หัดตัวเองหัดกับกรมหลง ให้ลูกหัดกับความสุขให้ลูกหัดกับความทุกข์ให้ลูกหัดกับอะไรที่ไม่ใช่ภาวะที่ลูกที่เกิดกับกว่ากับใจที่ให้เป็นความรู้เท่าปวดเดี่ยวเอาเลยทำได้ทุกคนเราไม่ีเพื่อนมีมิตรใครก็หลงใครก็สุขใครก็ทุกข์ใครก็คิดใครก็เคยเครียดเคยผิดเคยถูกเหมือนกันหมด เดินทางนี้ก็มีทางที่เห็นมันผิดเห็นมันถูกว่าแต่เห็นผ่านไปก่อนเดี๋ยวมันจะเฉลยที่หลังก็มีบางบทบางตนมามาลอบอีกทีหนึง่งเมื่อก็เราตรวจพระสูตรสมมาสมาธิมันเป็นโลเป็นโล ละอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ฉั น, นจะเบิกขานี่ไม่มีไปถึงฌานตั้งแต่ที่สองไปถึงที่สี่มีเวิขามีเวขกข า, ม, ามีสุขไม่ทุกข์มันจึงได้เห็นมันจึงเห็นสิกโมนี้มันจึงเป็นนิพพานในที่สุดก็คือ เพราเราสุขเราทุกข์เสียได้มีม่มีอเวขามีสติแล้วเลยอยู่มันเป็นการไต่ไปไต่ไประจากควาหลงครอมสุขความทุกข์ทำไมเราจะไม่เห็นเราผ่านมาเราเหยียบมันมาเราข้ามมันมามาทีไรก็คือสุขมาทีไรคือทุกข์มาทีไรคืออุเบกขา ้ามไปจนถึงสติสติสติคือภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นมันจังพ้นจากการเป็นถ้าไม่เห็นมันก็ไม่มีการหลุดพ้นมันจึงมีปัจจยัยสาอาการ1ิสองในหลักอริสติเห็น เป็นอะไรก็ตามเห็นสรุปไม่ง่ายเห็นแล้วไม่เป็นทำแล้วได้ทำกับสิ่งที่เห็นทำแล้วไม่เป็นกับสิ่ง น, นั้นมันจึงพ้นจากพร ะ, ะสิ่ง น, นั้นเรียกว่ามีบุต <c oughs> รเดียกว่าปัจจเจ้าฌา อาการจ2สงในธรรมจักรในหลักอริยสัจ4ี่เป็นจักแห่งธรรมที่มันหมุนไปมันจึงถึงความบุญพ้นที่สุดความลุดพ้นเป็นความทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ก็จากทุกข์เหมือนยารักษาโลก ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะสะดวกที่ทำแบบนี้ในหลักการปฏิบั ต, ติทำกับเรื่องอะไรก็ตามให้ทำแบบนี้เห็นไม่เป็นจึงพ้นจากภาวะที่เป็นในภพเป็นชาตินั่นต่อไปก็จะเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บ เห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายหน่วยคนหมอคนอสัตว์แปลกมาให้หลวงพ่อมีหมออ่านให้ฟังอยู่ข้างเตียงห้องไอซียูว่าได้ทราบว่าหลวงพ่อเป็นโรคก้อนเนื้อในจับยังไม่มียารักษาเลย ทางลวงไพวานจุฬาก็บอกว่าขอเนือในตับไปจากข้อเนื้อโตเลย ล, ลงังคอหมอของศักด์ก็บอกมาเลยว่าขี้ขาดมาเลยว่าเออท่านอย่างนั้นรักษาได้ให้ชียวโมตัวใหม่เข้าไปเลยพระเจ้ า, าจไปเฉลิมบิธีการรักษาอื่นในทั้งสิ้นให้ชียวโมตัวใหม่เข้าไปนี่คือความเด็ดขาดคือความถูกต้อง ว่อยากจะพูดในหลักธรรมมาปฏิเสธอย่างอื่นถ้าจะไปสู่ความพ้นทุกข์เขาก็เห็นไม่เป็นจึงพ้นจากเป็นอย่างอื่นไม่รับผิดชอบใครก็ตามเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันจึงพ้นจากทุกข์เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันต่อไปแล้วได้ปฏิบัติตรงตั้น เห็นมันโกรธปฏิบัติความไม่โกรธง่ยมันจึงพ้นจากความโกรธเห็นมันทุกข์ปฏิบัติกับความทุกข์ได้ง่ายจึงพ้นจากความทุกข์ทองมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าทุกข์เป็นผู้ทุกข์ปฏิบัติยากโกรธเป็นผู้โกรธปฏิบัติยากทำไม่ค่อยได้ไ ชนกำแพงไปเจอนั่งผาขึ้นยากข้ามยากไม่มีเหมือนกับเหลือไม่มีท่าเทียบท่าไม่มีขึ้นฝัองได้ยากขึ้นฝัองได้ยากถ้าสุขเป็นสุขขึ้นฝัองได้ยากทุกเป็นทุกขึ้นฝ่องได้ยากต้องเบียนว่าอยู่อย่างนี้ จีรบจีหวนเสจี อ, องางไขทุกทอสศงไขหลงถ้าเป็นเปนเป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์โกเป็นโกผิดเป็นผิดกเป็นทุกพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจมันไม่มีท่าขึ้นเหมือนเรือไม่มีท่าขึ้นฝั่ง ลอยคอหรือเหมือนเราอยู่ในน้ำไม่ไม่ท่าขึ้นลอยคอต้องโจมนามอยู่ในวัดตักเหยียดไหยตายเกิดจุ่ยเชินเดินกระตือรือร้นตรงนี้ให้มากปฏิบัติทมงัม้นหลงแต่ ว, ว่ามัน มันมาบอกเราเห็นมันหลงนี่คือหลงเห็นมันหลงสติเป็นอย่างนี้นะส ต, ติถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่สตินะกบเกินไปแล้วไม่มีตัวปฏิบัติเจียงว่าไม่มีพร้อมพอมถ้าหลงเป็นหลงไม่ยังไม่ปฏิบัติอะไรเลยไม้แต่เด็กกลมอยู่สร้างจัหวะอยู่ถ้าหลงเป็นหลง ไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่มีสติเลยสติจะเห็นหลงนั่นไม่เป็นผู้หลงอุนจ๊อกข่มหลงได้ปัญจง้องามตรงนี้สติเป็นโ้องามตรงนี้มันโดดได้ตรงนี้มันถลาได้ตรงนี้มันชนะตรงนี้ <c oughs> วิธีปฏิบัติมันชนะตรงนี้มันสําเร็จตรงนี้ มันเป็นก่อเป็นกรรมตรงนี้มันเป็นมรกเป็นผลลงนี้ทันทีสัมผัสได้ตรงนี้ทันทีชีวิตจะได้เกิดตรงนี้ทันทีชีวิตเกิดแบบนี้ชีวิตของผมไม่จันเกิดแบบนี้เอาเลยทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องขู่ข่มหนุ่ไม่ต้องขู่ว่มสุขไม่ต้องขู่ข่มทุกข์ ที่จรงไหนที่ไม่ใช่สติที่เกิดกับกากับใจไนหะไม่น่ากลัวก็มีสตินะไม่มีพลังเกล็นฆ่าเช่นหนูคนที่มีสติเห็นมันทุกข์เองมันจะไม่กล็นฆ่าถลาได้พลังงอ่ะผมพลังใส่สำเร็จสำเร็จตรงนี้ได้ผลตรงนี้ เวลาเราปฏิบัติธรรมถ้ามีวีสติก็ไม่เห็นมันเกเสเป็นไปเลยได้ปฏิบัติธรรมได้ดื้อเลยโถนให้เกิดความออกได้บอ แล้วคณะปริญาแกแกเกงรื้อถอนเหมือนพระพุทธเจ้า ว, ว่าโคงหลวนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วโยอดเดือนเราก็ลื้อเสียแล้วเจ้าจะมาทำอะไนให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเหนถึงแล้วถึงสภาพที่เลยพงแตไไกไ่ต่อไปมันถึงแล้วซึ่ง ลูกผลที่ผ่านไปอย่างนี้มันพังได้ไปเอง น, นอะอะตอนนี้ก็พอแล้ววันนี้เนะื้อสมควรเจเลา